พวกเราท่านทั้งหลายพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยพยายามสั่งสมบุญกุศลใส่ตัวเองอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าอายุยืนเท่าไหร่ยิ่งสร้างคุณงามความดีคุณงามความดีบุญกุศลก็ยิ่งพอกพูนแต่ถ้าหากว่าทำกรรมชั่วเกิดมาแต่เล็กแต่น้อยมีแต่ป่นมีแต่ลักมีแต่ขโมยมีแต่ทาความชั่วเสียหาย อายุมากมายเท่าไหร่ก็ยิ่งทำความชั่วดนพอกพูนถ้าว่าเราทำคุณงามความดีแต่เล็กแต่น้อยมาจนถึงอายุมากคุณงามความดีของเราก็พอกพูเ น, นเหมือนกันเมื่อเราหาทรัพย์อย่างนั้นทำมันขยันหาทรัพย์แต่เล็กตน้อยเมื่อเท่าแกชรามาก็ได้พึ่งพาอาศัยสะดวกสบายแต่ถ้าว่าเราขี้เกียจขี้คลานมาแต่เล็กแต่น้อย มีแต่ใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุรายเท่าแก่มาชาาราก็ยิ่งทุกอย่างลำบากจะตายก็ไม่ตายจะอยู่กินก็ไม่มีลักษณะอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นการสั่งสมบุญกุศลและการหาทรัพย์ภายนอกถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็คล้ายๆกันนั่นแหละเพราะนั้นการหาทรัพย์ภายในก็เหมือนกันการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจก็อย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านยืนยันพันเ0อม่นเมีเท่าไหร่เปอร์เซ็นท่านยืนยันทั้งหมดไม่ใช่ร้อยเอร์ซนมนกนัว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าว่าเราได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลจะเกื้อกูลหนุนเราในภพภูมิที่เราที่พวกเราได้เกิดในภพภูมินั้นเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศล ตายแล้วไม่ศู์ถ้าว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราอย่าทำถ้าทำแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ทำสิ่งที่มันดีทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเรานี่แหละแต่ตามไม่จริงคนเราทุกคนจะทำกรรมดีอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้จะทำกรรมชั่วอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้อีกเหมือนกันมันต้องคล้ากันไปแต่เมื่อคลากันไปบางคนก็กรรมดีมากกว่า กรรมชั่วบางชั่วบางคนก็ทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีนแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะทำกรรมดีกรรมชั่วอันนั้นเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วในสมัยนั้นเมื่อเราทำเราก็ไม่ได้คิดเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ศึกษาเพราะมันผ่านไปแล้วแต่มาถึงจุดนี้เรารู้แล้วเราสานึกแล้วว่า การกระทำสิ่งนั้นมันผิดแต่เอาเถอะเราจะไม่ทำอีกอันนี้แปลว่าเราตั้งต้นใหม่กรรมชั่วเราก็ไม่ไม่คิดถึงเลงนียเพราะมันผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วต่อนนี้ไปข้าพเจ้าจะทำคุณงามความดีเท่านั้นอันนีค้คือตั้งต้นใหม่อันนี้เป็นแปลว่าปัจจุ ป, ป น, นัญจะโยธรร ม, มังฮะให้ข่าว่าทำกรรมในปัจจุบันในขณะนี้ต่อไปภายภาคหน้าไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมา อันนี้ถ้าเราตัดใจได้อันนี้แปลว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วจะทำกรรมดีอย่างเดียวจะเป็นไ ป, ไ, ปได้เหรือเป็นไปไม่ได้แต่ขนาดหลวงพ่อเป็นพระขนาดนี้นะบวชมาแต่อายุเป็นเนนอายุสิบเอ็ดสิบสองปีท่านนึกย้อนหลังจากสิบเอ็ดสิบสองปีลงไปนั่นน่ะโอ้ ก็ได้เบียดเบียนสัตว์พอสมควรอยู่เพราะเราเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะปลาพกกบพกเขียดอย่างเนี้ยดูๆแล้วก็ได้เบียดเบียนสัตว์ไปมากพอสมควรอยู่เพราะนั้นที่จะไม่ทํากรรมชั่วจะเลยคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราก็มองว่าโอ้ทางว่าเราเป็นอยู่ในเรายือนอยู่ในขณะนี้เราก็คงจะไม่ทาอย่างนั้น แต่คราวนั้นมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็เลยได้ทำในสิ่งเหล่านั้นไปด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่ได้ตั้งใจแต่ขอให้สรรพสัตทั้งหลายที่เราทำไปแล้วขอให้เอาโหรสีให้แก่เราด้วยตอนนี้ไปเราจะชํารวมระวังต่อไปจะไม่ทำอีกที่มันเกิดขึ้นแล้วนั้ น, น, นอันนี้หลวงพ่อเองก็ได้แผ่เมตตาเหมือนกันอุทิสุนกุศลให้เหมือนกันดนการ รักษาศีลได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้ภาวน า, าแล้วกัอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นนะทางว่ า, าท่านดวงวิญญาณใดก็าตามยังยังเคยังนั้นกันอยู่ก็ขอให้ยืดจุ่นกันไปว่ากันเถอะไอ้ให้โอ้โหสิซึ่งกันและกันที่เขาที่เราว่างันเถ อ, เอาทางทีเราก็เหมือนกันเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวในชาตินี้เท่านั้น บางชาติเราอาจจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นนกเป็นปลาคนอื่นก็ได้ฆ่าได้กินเนื้อของเราแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ให้โอโหสีแก่ท่านเหล่านั้นที่ท่านทำให้เราเจ็บอกเจ็บใจเราจะไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดที่ผ่านมาแต่พวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ทีละข้าพเจ้าได้ทำไปด้วยความโง่เขลาของข้าพเจ้า ด้วยความไม่รู้ของข้าพเจ้าพวกท่านทั้งหลายก็คงให้อโหสิอย่างที่ข้าพเจ้าให้อโหสิเหมือนกันเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราขณะท่านได้บำเพ็ญบา ร, รมีโพธิสัตว์เราดูซิในชาดกต่างๆพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ เ, เป็นนกเป็นอะไรมีราชสีมีเสือโค้งเสือต่างๆพระพุทธเจ้าได้เกิดหมด เกิดเป็นราชามหากษัตริย์พระเจ้าจากักรพรรดิพระอินทร์พระพรหมเกิดหมดว่างั้นเถอะก่อนที่จะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นพวกเราวิญญาณของพวกเราหรือตัวของพวกเราใจของพวกเราเนี่ยคงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันขนาดพระพุทธเจ้าที่ท่านบําเพ็ญขนาดนั้นท่านยังสูงสู ง, สงต่ํา่ำลุ่มลุมรอนรอนทุกทุกจากจากแต่บางครั้งก็จิตใจก็บําเพ็ญบารมี สร้างบุญสร้างกุศลพบชาติก็เป็นดีตลอดหลายพบหลายชาติติดต่อกันแต่บางพบบางชาติพอมากขึ้นผู้มีอำนาจวาสนามีเงินคำทรัพสมบัติขึ้นมากลุ่มหลงมัวเมาในอบายยมุกฆ่าจัดตัดชีวิตทั้งสุรานารีอะไรมาลุ่มมาตุ่มเข้ามาเพอตกจากชาติเป็นมนุษย์ชาตินี้ลงไปเพราะกรรมชั่ว ตัวเองได้ทํากระดิ่งลงไปอีกตกต่ําำพอตกต่ําลงไปแต่จิตใจมันยังไฟสูงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่อขอให้เข้าไปเจ้าต่ํากว่านี้เถอะเกิดชาติหน้าไม่เคยคิดใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยคิดเอยขอให้เข้าไปเจ้าดูอยู่ในขนาดนี้เถอะอาจ น, นั้นก็คิดน้อย แต่ความมุ่งหวงนะังเนี่ยเกิดพบหน้าชาหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ดีกว่านี้สูงกว่านี้ร่ารวยกว่านี้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่านี้ลลนนนอันนี้แปลว่าจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเนะี่ยใยสูงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเวลาการใ่สูงตัวนี้แหละทําให้เวลาเขาสร้างคุณงามความดีเขาเข้าสู่กายสุวาจาสู่ใจของเขาเขาจึงไปเกิดในสถานที่สูงขึ้นนะเพราะใจของเขาใ่สูง วิญญาณไฟสูงเหมือนไม่ว่าท่านว่าเราไฟสูงนแต่ว่าถึงจะไฟสูงก็เถอะแต่ถ้าทำกรรมชั่วทนีถึงจะไฟสูงกรรมชั่วนันกพาลงไปในทางต่ำตกต่ำเพราะกรรมชั่วดึงลากถูกลงไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าวิถีชีวิตหรือวิถีวิญญาณจะไปสูงที่จะไปต่ำนั้นเพราะอะไรท่านยังบอกวิธีการ ให้พวกพุทธศาส น, นิกชนพุทธบริษัทของพระ อ, องค์ว่าอย่าทํากรรมชั่วนะถ้าทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั่นแหละจะพาพวกท่านทั้งหลายให้ตกต่ำํำทางว่าพวกท่านทั้งหลายทํากรรมดีเป็นบุญเป็นเป็นกุศลอันดับแรกก็ดูแลปฏิบัติพ่อแม่ดูแลพ่อแม่รู้จกักศีลรู้จักทานรู้จักคุณงามความดีรู้จักการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ ให้ทานรั ก, รกษาศีลภาวนาสรุปแล้วให้เป็นคนดีนี่แหละการทําคุณงามความดีแล้วก่าการเป็นคนดีนี่แหละจะทําให้จิตใจของพวกท่านออกจากชาตินี้แล้วจะสูงสงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ท่านบอกกล่าวไว้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจะพูดถ้าจะเปรียบเทียบกับโลกสมมุติปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าใครก็ตาม ขี่เกียจขี่คล้าเนี่ยเรียนหนังสือแต่เล็กแต่น้อยจากนั้นก็เป็นคนชั่วชอบลักชอบขโมยชอบหาเรื่องหารล่านี่แหละคือการทําความชั่วคนนั้นจะไม่ไปได้ไกลผลที่สุดถึงจะไม่อยู่ในคุกในตารางก็อนาคตก็ไปอย่างงั้นแหละจบลงส้นส้นไม่เจริญแต่ถ้าว่าผู้ใดก็าตามมันขยันในการเป็นอยู่ตั้งแต่เล็กแต่น้อย ในการเหล่าเรียนศึกษาแล้วก็เป็นเด็กดีเป็นคนดีหมั่นขยันใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนรู้จักวัยวุฒิคุณนวุฒรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่น้องวงศาคนาญาติรู้จักประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นคนดีสรุปแล้วนั่นแหละอนาคตของเขาก็สดใสจเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะเหตุใดเพราะสังสมแต่คุณงามความดี แต่ถ้าว่าพวกเราทํากรรมชั่วหรือไม่ได้ตั้งต้นที่ดีมาตั้งแต่เกิดแล้วนั่นแหละมันก็จะไปในทางต่ำํำนี่แหละบุญกับบาปให้ผลต่างกันอย่างนั้นสรุปแล้วนะทํากรรมชั่วให้ผลไปทางต่ําถ้าทําคุณงามความดีแล้วให้ผลไปทางสูงอสูงกับต่ําพวกเราก็คงจะรู้ได้นะต่ําก็คือไปทางบาปอากุศลไปทางที่ไม่ดีนอะทางสูงก็คือเป็นกุศล ใจิตใจของพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขร่างกายอยู่เย็นเป็นสุขวงศาขนายาตอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นทั้งสองอย่างเราปรารถนาอะไรถ้าเราปรารถนาสูงแล้วก็ต้องปรับกายวาจาใจของเราให้ดีขึ้นให้ดีแต่ถ้าว่ า, าเร า, าไม่ได้มุ่งหวังอย่างนั้นก็ปล่อยตามเรื่องตามราวของมันสุดแท้แต่มันจะเป็นไปมันก็ต้องไปทางต่ำ เพราะนั้นการกระทำหรือการปรับตัวของเราเนี่ยปรับได้นะปรับได้ปรับใจเนี่ยปรับได้ในหลักของพระศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าปรับได้ปรับใจให้เป็นคนดีคนชั่วเนี่ยปรับได้ปรับที่ใจของเราพระพุทธเจ้าปรับที่ใจของพระองค์เหมือนกันที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูรู้แจงโลกที่เป็นพระหันไม่ใช่กายของพระพุทธเจ้าเป็นพระหันนะ ตาหูจมูกลิ้นกายของพระพุทธเจ้าก็เหมือนของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะท่านเป็นมนุษย์ ถ, ถึงท่านจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เถอะนะแต่ร่างกายของท่านก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมีตาหูจมู ก, มกลิ้นกายเหมือนกันแต่ว่าใจของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปบำเพ็ญอยู่ในป่านะท่านรู้แจ้งเห็นจริงตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าในวันเดือนหกเพลน ในเมื่อท่านได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใจของท่านได้ตัดสรู้แล้วท่านเป็นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วตาหูจมูกลิ้นกายของท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าด้วยพราะใดเพราะใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าทํากรรมชั่วแล้วก็ทํากรรมไม่ดีแล้วอย่างพระเทวทัตคิดอะไรก็คิดแต่ทางชั่วคิดแต่เบียดเบียนคิดแต่จะเอารัดเอาเปรียบคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัต ใจของท่านไปทางต่ำตาหูจมูกลิ้นกายของท่านก็เป็นเทวทัตไปด้วยต่ำไปด้วยเหมือนกันเดเอออันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะอย่างก่อนที่คนจะดีได้ดีที่ใจสรุปแล้วในหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นลงที่ใจเถิมโนปูพังข ม, มาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นการจังสมบุญกุศลก็ดีการมาฝึกหัดจิตภาวนาก็ดี ท่านให้มาดูใจของตนเองจะดูได้อย่างไรที่จะดูใจได้ท่านจะให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละวิธีกุญแจดอกแรกมันกันแต่กุญแจดอกแรกที่จะจับจิตใจของตนเองได้ให้เป็นสมาธินะ่าจะจับได้โดยวิธีอย่างไรท่านให้กำหนดลมหายใจถ้าจับที่อื่นมันไม่มีที่จะจับมันเลื่อนมันไหลมันลอยไปหมดไม่รู้ใจมันอยู่ที่ไหนใจถ้าจะว่าละเอียดกวละเอียดยิ่งกว่าลม ยิ่งกว่าน้ำยิ่งกว่าอากาศอากาศเรายังเามาอัดใส่ถังยังเป็นอากาศออกซิเจนเข้ามาได้ยังเป็นลมออกมาได้แต่วิญญาณนั้นจะอัดเข้าไปที่ไหนมันไม่อยู่ทางนั้นจะอจัดใส่กระบอกเหล็กมันก็ไม่อยู่วิญญาณมันละเอียดกว่านั้นไปอีกเฮีมันคิดมันได้มันรอบโลกจั ก, กรวาลได้เพราะนั้นจะทำยังไงจึงจะจับใจตัวนี้ให้อยู่ได้ ก็ต้องจับเข้ามากับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยพระพุระเจ้าท่านเคยมาแล้วท่านทํามาแล้วท่านได้ผลมาแล้วท่านจึงมามาแนะนําพวกเราให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะที่เราได้ตัดสูุในโคนต้นโพวันนั้นวันเดือนหกเพนเราตถาคตกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว ในขณะที่กําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อกําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วจิต ń, พระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนนพราะจิต ń, สงบสงบข้็เป็นหนึ่งเพราะจิตมันไม่ไม่ส่งไปข้างหนอกให้มีสติอยู่น passe, ะกับลมหายใจเข้าออกอย่างไรรู้อยู่อย่างนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งพอไม่คิดไปทางอื่นเพราะมันไม่จา้านเพราะงั้นแต่ไม่ซาบไปทางอื่นไม่จ้านไปทางอื่นไม่พาดไปทางอื่น จิตเน่งจิตรวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้าม า, รม า, มากระแสจิตกขารวมว่าเป็นหนึ่งเนี่ยว่าจิตรวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นพลังในเมื่อพลังเสร็จแล้วก็จิตเข้าสู่ความสงบพระ อ, องค์ก็น้อมจิตไปในอดีตว่าวิญญาณนี่มาจากไหนมันเป็นยังไงพระองค์ก็น้อมดูจิตของพระ อ, องค์พระองค์ระลึกชาติทุนหลังได้เนียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติทุนหลังได้เป็นอันดับแรกนะนี่แหละ ในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างนี้ท่านได้มันมีแถวแนวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำยังไงไม่ใช่ยกเมฆยกหมอกไม่ใช่พึ่งพาอาศัยเทพเจ้าเราเทวาที่ไหนมาประดิษฐ์หรือว่ามาประสิทธิประสารให้แก่พระองค์ไม่ใช่พระองค์ใช้สติใช้พระปัญญาของพระองค์เองทำยังไงวิธีการเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัท เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าควรจะศึกษานะสรุปแล้วก็คือให้ศึกษาศึกษาแล้วก็พย า, ายามไตรตรองเหตุและผลที่เราได้ศึกษาดีแล้วนั้นนะเมื่อเราได้ศึกษาดีแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติพวกเราก็จะเห็นผลเลยไม่ใช่ดูแต่แผนที่เฉยเฉยดูแต่แผนที่เฉยเฉยมันก็ไม่ถึงจุดจุดหมายปลายทางเมื่อดูแผนที่เสร็จแล้วรู้แล้วเรียนรู้แล้วศึกษาแล้ว ลงมือปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่ว่าเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออใช่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกให้กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นอย่างนี้นะโอ้ดีจริงจริงจิตใจเข้าสู่ความสงบนัติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจุดนี้เองนะนี่แหละถ้าพวกเราได้ปฏิบัติแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ทีนี้เรารู้อย่างนั้นขึ้นมาแล้วเราจะรู้วิธีตัวเองได้ถึเออใช่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใจเป็นอันหนึง่งร่างกายเป็นอันหนึง่งใช่จิตสงบเข้ามาแล้วร่างกายเป็นอันหนึ่งจริงๆร อ, อ่าร่างกายเป็นอันหนึง่งใจเป็นอันหนึ่งจริงๆเห็นได้ชัดเจนด้วยความรู้สึกนั้นๆเหมือนกับไข่อยู่ในจานหรือมะม่วงอยู่ในจานอย่างนั้นอ่ะเป็นคนละอันกันร่างกายก็เหมือนจานมะม่วงก็เหมือนใจ มันอยู่อาศัยกันอยู่เพราะนั้นถ้าเราประพฤติธปฏิบัติได้แล้วเราจะหายสงสัยในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะว่าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ได้ตัดสุ ด, ด้วยพระองค์เองรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองเป็นสวักขาธรรมเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติจ้อมรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มา บาเพ็ญกุศลในวันนี้นะอย่างโยมพ่อหมอก็ได้มาทำบุญวันเกิดก็ว่าได้นะและก็พร้อมกันพี่น้องชาวบันตาดก็ได้มาทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงผู้วายชนคุณพ่อของคุบาหน่อยที่ล้มหายตายจากไปปีสองปีที่ผ่านมาวันนี้ก็ครบรอบวันที่สิบห้าเนี่ยได้มาทำบุญที่วัดหลวงพ่อนะปีสองปีมาแล้วก็ขอให้พวกลูกหลานทั้งหลาย อุทิศส่วนกุศลถึงคุณพ่อนะไม่ใช่แต่คุณพ่อละปู่ย่าตายายที่ท่านล่วงลับไปแล้วก็ให้พวกเราประมวลมาอุทิศส่วนกุศลถึงท่านเหล่านั้นด้วยเพราะว่าเป็นวงศาคณาญาติดวงวิญญาณของท่านสิงส่งจะติดอยู่ณถิ่นใดตกทุกข์ใดยากก็ให้มารับให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกลูกหลานได้ทำบุญในวันนี้ถาวาผู้ยังมีชีวิตอยู่ พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระให้สุขภาพกําลังกายกําลังใจแข็งแรงอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยบุญกุศลที่พวกลูกหลานพวกเราได้ทําในวันนี้ทั้งอุทิศส่วนกุศลด้วยทั้งมอบบุญกุศลที่พวกเราได้ทําในวันนี้ให้แก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะตัวของเราเองก็ มันสังสมบูรณ์กุศลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวได้ฟังให้ศึกษานี่แหละเป็นแนวแถวของพุทธศาสนาเป็นแนวแถวของประธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ลูกหลานทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายให้ศึกษาให้ฟังนะแล้วก็ให้ปฏิบัติสรุปแล้วก็คือว่าตายแล้วไม่สูญในหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ลูกหลานได้ฟังเอาตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร